ถ้ามองปั๊บอันนี้ทุกข์สัตว์ใช่ไหมนี่มันเข้าใจแล้วแต่อย่างเงี้ยเห็นทั้งสารวัตจริงๆริอนี่ทุกข์สัตว์เนี่ส่วนที่เห็นมันเป็นทุกข์สัตว์หมดเลยส่วนที่เราคิดเข้าใจในส่วนของนี่รูปธรรมทั้งหลายเป็นทุกข์สัตว์หมดเลยนี่ถ้าถ้ายอมถิ่มมองอ๋อนี่ทุกข์สัตว์เห็นรถคันหนึ่งอัน oh, นี้ทุกข์สัตว์นั่นควรรอบรู้หมดเลยเนี่ยนกโอ้เสียงทุกข์สัตว์ร้องนาะเห็นมันเป็นทุกข์เลยแต่เนี้ยมันเริ่มชัดขึ้นแล้ว ถ้าอย่างนี้สิอย่างนี้สิเห็นคุณของพระทเจ้าเรื่อยเลยเดยี๋ยนี้เห็นคุณพระเจ้าเรื่อยเลยถ้ามีพระเจ้าเราจะมีคําว่าทุกข์สัตย์เกิดขึ้นในใจสักนิดไหมเนี่ยเราเห็นหมดเลยอ๋อนี่เป็นทุกข์ขสัตว์จริงๆด้วยนี่ทุกข์ขขสัตย์กำลังดําเนิ น, ก, น, ไปไปนกันไปอยู่เนี่ยสังสารวัฏกาลังเป็นไปอยู่เนี่ยใช่ไหมเหตุของสังสารวัฏคือตัณหาเหตุของทุกข์สัตย์คือตัณหาดับสังสารวัฏคือนิพพานปฏิปทาให้ดับสังสารวัฏคือมรรคเนี่ยโอ้โหชัดเลยเนี้ยว เ่มเด่นขึ้นมาเรื่อยเลยตัวเนี้ยเอาราศีตัวเนี้ยมั่นใจแล้วตัวเนี้ยอิสระมากจะบันทึกจะตัดต่อแล้วก็เห็นสังสารวัตรแต่จะทํำยังไงให้มันเด่นในใจของคนอื่นมันเด่นในใจของเราบ้างแล้วเนี่ยเราจะเอาความเด่นในใจของเราเนี่ยแผลคนอื่นแผลคนอื่นเป็นกรุณาเด่นในใจเราเป็นปรรัญญานี่เริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจไม้มตัวเนี้ยก็แน่งไงไตัดต่อเทปทังสารวัตรคู่ไปด้วยแจกไปบอกต้องเมียนชาร์ดเอาตรงนี้ไปด้วยไปป้อง พูดให้เกิดกำลังใจในการประกาศพระธรรมพระธรรมของพุทธญาไม่ไม่ไม่ใช่พูดให้ท้อถอยในการประกาศพระธรรมเออดีเนี่ยชื่นใจประโยคหลังเนี่ยนี่ก็เรียกอะไรไม่มีหรอกแต่มามองเห็นแนวอยู่โอ้ชัยได้เลยโอโหน่าชื่นใจเนี่ยใช่ไหมน่าชื่นใจอ เดี๋ยวพอฟังไปจะมีกำลังใ จ, จ, ต, จรงตรงนี้นะบอกว่าฉะนั้นในคําว<ม>่าโลกาวิโทเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราฟังแล้วนะี่มันเกิดความรู้สึกนั้นเพราะเรารู้เราเทียบปัญญาพุทธเจ้า ก, กับปัญญาเราไงใช่ไหมนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เขาบันทึกเขาท่านที่เขียนมานะท่านก็เต็มที่ท่านแล้วไม่ใช่ไม่เต็มที่หรอก เหมือนอาตมาเหมือนกันเวลากล่าวว่าตาอาตมาก็เต็มที่แล้วเงี้ยนะอาจจะมีขาดตกบก พ, พ่องม่งความเป็นบุรุษชนเนี่ยเนาะพวกเราทั้งหลายก็เต็มที่แต่ถามว่าให้มันเต็มที่ใช้ได้ออกมาเป็นอิสระแล้ว <Sh op> เออได้ทําแล้วเต็มที่ก็แล้วกันให้ทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันให้เต็มที่ก็แล้วกันให้รอบครอบก็แล้วกันอย่าเอาเร็วเป็นประมาณใช่ไหมยอย่าเอาเร็วเป็นประมาณเอาดีเป็นประมาณในความสามารถที่เราจักบูชาได้ ถ้าสาวรรธนาเนี่ยนะท่าสาวนัขาเนี่ยวันธนาเนี่ ย, นะะ ย, นนยจะใช้สิบนิ้วเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็จะบรรจองในการกค่อยๆ ป, ประดิบประดอยในการพิมพ์ในการตัดต่อคําถอนร้อยเรียงคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานี่มันความสามารถของข้าพเจ้าใช่ไหมเหมือนท่านผ้าโนนน่ะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมข้าพเจ้านี่คือผ้าโนนเนี่ยท่านเป็นพระหูสูตรเป็นพุทธอุบาก เป็นผู้มีคติมีทิฏฐิมีความเพียนแล้วก็ภาษาลิบุตรบอกว่าท่านมีปัญญามากแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่สัตบุรุษใช่ไหมข้าพเจ้ามีได้ทรงจํามาตามกําลังของข้าพเจ้านะเพียงเท่านี้นะแต่พระธรรมไม่ใช่ของข้าพเจ้าก็เป็นอิสระกับท่านไปแล้วตอนนี้ท่านพระานนท์ทําเป็นอิสระของท่านทุกคนไม่เคยเข้าใจเลยว่าเป็นพระธรรมของพระอ น, นุนเข้าใจเป็นพระธรรมของพระพุทธเจ้า อันนี้ก็เหมือนกันข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ได้เรียนมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่พระธรรมของข้าพเจ้าความสามารถของข้าพเจ้าเท่านี้ข้าพเจ้าต้องการถวายพุทธบูชาท่านทั้งหลายอ่านแล้วเกิดบุญนั้นน่ะข้าพเจ้าก็มุทนาถ้าท่านยังไม่เกิดทั้งหลายท่านก็ช่วยค้นคว้าคมภี้อื่นเพิ่มเติมบุคคลอื่นเพิ่มเติมชัดไหมอย่างเงี้ยมันอย่างนั้นแต่ข้าพเจ้าก็เต็มความสามารถขอข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าในฐานะอุบาสิกาท่านหนึ่ง ได้ทําหน้าที่เดินตามรอยบาทพระศาสดานี่คือความสามารถของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นสยมพูยานใช่ไหมข้าพเจ้าไม่ได้พูดแต่สรู้เองแต่ข้าพเจ้าสดับมาอย่างนี้ความสามารถร้อยร้อยเรียงได้แค่นี้ข้าพเจ้าต้องการจะทําชิ้นโบแดงชิ้นสุดท้ายถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเป็นธรรมะโบชาสังฆบูชาถ้าข้าพเจ้าจะตายเนี่ยข้าพเจ้าจะได้ตายอย่างผููที่ได้เกิดมา ได้ตอบแทนคุณของท่านได้ตอบแทนคุณของพระเจ้าแล้วใช่ไหมถ้าไปในพบต่อไปอัธยาศัยอันนี้จะได้ส่งผลแก่ข้าพเจ้านั้นได้พ้นทุกพ้นจากชาติทุกชราทุกมรณะทุก์พ้นจากความโศกความล่ํายลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นใจเสียทีเพราะข้าพเจ้าก็อิดหนาละอาใจในกาเลวะละเนี่ยที่มันเน่าเปื่อยเนี่ยแล้วข้าพเจ้าออกจากมันไม่ได้สังสารวัฏข้าพเจ้าจึงเขียนเรื่องนี้ จึงร้อยครองเรื่องนี้ใช่ไหมเห็นไหนี่มันมันมันความเข้าใจว่าเราเราเขียนแบบโปร่งภาละเขียนแบบเป็นอิสระกับหนังสือผู้เขียนกับหนังสือก็เป็นอิสระต่อกันผู้อ่านก็เป็นอิสระกับผู้เขียนใช่ไหมเพราะเราเขียนไปตามประธรรมเราเชื่อมโยงให้เห็นเท่านั้นแต่เราไม่ใช่ผู้รู้เราไม่ใช่สยามภูใช่ไหม ข้าพเจ้าเรียนมาเข้าใจอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยกองได้อย่างนี้ท่านทั้งหลายที่ทําได้ดีกว่านี้โมทนาได้ข้าพเจ้าสุดความสามารถเท่านี้นี่ชีวิตของข้าพเจ้าที่เป็นไปอยู่ผลงานที่ทํามาเนี่ยข้าพเจ้าถวายน้อมหลายวปุนพุทธบูชาหนี่ประกาศเจตนาลมลงไปด้วยเลยใช่ไหมใช่ไหมประกาศเจตนาลมลงไปเลยนี่ชัดเลยเดนเดนบอกโอ้ยใครอ่านปุ๊บเขาเข้าใจ เขาเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นคาสอนของเราอยู่แล้วเขาเข้าใจเมื่อเขาเข้าใจเบ็ดเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะอ่านด้วยความนอบน้อมเออท่านผู้นี้มีดีอะไรถึงได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าถึงปานนี้เราก็จะเจ็บเกี่ยวผลงานที่ท่านเขียนมาอ่านอะไรที่เป็นส่วนดีทำให้เราข้าพเจ้าคิงคุณของพระเจ้าข้าพเจ้ากบูชาท่านผู้นี้ด้วยแต่สูงสุดข้าเ้าไม่ไม่ใช่สารณะของข้าพเจ้านะ เพราะท่านคนนี้ก็บอกเจตนาลมแล้วว่าท่านก็เป็นทาตของพระเจ้าพระเจ้าเป็นนายมีอิสระท่านก็เป็นทาตของพระธรรมเป็นทาตของพระสงฆ์เราก็จะท่านพยายามร้อยกองเชื่อมโยงเพื่ให้เรานั้นไปเป็นทาตของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นไหมก็จะผ่านจากเราเป็นอิสระจากเราเราก็เป็นอิสระจากเขานี่จบงานนี้จบใช่ไหมเป็นอย่า ง, งานัง้นเห ม, มือนอาตมากล่าวว่ารมอาตมาว่เข้าไปเจ้าได้ฟังมาอย่างเนี้ยได้เรียนมาอย่างเนี้ย แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่ใช่สยามภูยานข้าพเจ้าก็ไม่ใช่พานน์น์ด้วยทั้งไม่ได้สักขีเล็บแทนพานน์น์เนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ข้าพเจ้าก็มีศรัทธาที่จะประกาศพระธรรมถ้าอันไหนมันไม่ถูกมันไม่ต้องตามพระธรรมคําสอนท่านทั้งหลายเสนอเนี่ยมาข้าพเจ้ายินดีรับฟังยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขนี่อนามาก็ตั้งเยตนาอยู่นี้เพราะอนามาไม่ยุ่ความสามารถเขียนน่ะ แต่อาตมาเข้าใจเข้าใจส่วนหนึ่งนิดหน่อยเนี่อาตมาก็บอกไปว่าเขาอาตมาเข้าใจแบบนี้แต่บอกไปเสร็จอาตมาก็เป็นอิสระกับสิ่งที่บอกไปเออเสร็จแล้วใครที่เอาไปฟังเอาไปไข้ควรเอาไปพิจารณาถ้าเกิดบุญข้าพเจ้าโมทนาในส่วนนั้นด้วยและบุญอันนั้นที่เกิดขึ้นในใจของท่านเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นอุปนิสัยประใจข้าพเจ้านะครับเจ้าถึงทำตรงนี้ยแล้วข้าพเจ้ามั่นใจตรงนั้นว่าจะเป็น ใจผักดันในข้าพเจ้านั้นบรรลุสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังใช่ไหมคือความพ้นทุกข์ใช่ไหมเพราะข้าพเจ้าก็ปัจฉนาอนมากราบนะอนุปาทาวบริณิพัคือการดับโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างเงี้ยก็ประกาศเจตนาลมพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงแสดงว่าใครๆไม่อาจเพื่อจะไปได้ด้วยเท้าเป็นต้นเหล่านั้นนะที่นี่ในกาเลวาระประมาณวาหนึ่งได้แก่ในอัตภาพเป็นวาหนึ่งประมาณเนี้ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงรูปประคัน ซึ่งมีสัญญาซึ่งประกอบไปด้วยสัญญานเนี่ยคําว่าซึ่งมีสัญญาสัญญาในที่นั้นก็แปลว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนาะซึ่งมีเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันเนี่ยนะซึ่งมีไม่ใช่ซึ่งมีเวทนาขันสังขาระขันวิญญาณขันมีสัญญาเป็นประธานประกอบไปด้วยสัญญานั่นเองคําว่ามีใจหรือมีมีวิญญาณเนี่ยด้วยแสดงถึงวิญญาณขัน ท่านอธิบายว่าในกาเรวะละที่ไม่มีวิญญาณเป็นเพียงการประชุมแห่งรูปธรรมที่มีอุตุปเป็นสมุธฐานเท่านั้นใครๆไม่อาจจะบัญญัติได้คําว่าโลกได้แก่โลกมีขันโลกเป็นต้นว่าความดับแห่งโลกได้แก่ดับแห่งโลกหรือได้แก่พระนิพพานนั่นเองก็หมายความบอกว่าเพราะประกอบไปด้วยสัญญาคําว่าที่มีใจคือมีวิญญาณคํานี้ท่านแสดงถึงวิญญาณขันในกะเรวะละซึ่งไม่มีวิญญาณ กรเรวราที่ไม่มีวิญญาณคือสิ่งที่เป็นนีแต่รูปธรรมอย่างเดียว <N un> นั่นกรเรวราที่ไม่มีวิญญาณเนี่ยนะดังนั้นก็คือบอกว่าในพระธรรมคําสอนของพระุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านแสดงบอกว่าเกี่ยวในเรื่องของกรเรวราก็คือพูดถึงในเรื่องของรูปปรหคันรูปรประขันเนี่ยเนาะรูปธรรมคือรูปขันที่พถ้าไม่มีใจก็พูดถึงในรูปธรรมอย่างเดียวทีนี้ถ้ากําหนดลงเวรน า, าสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณท่านกาหนดเอาเป็นความเป็นไปของโลกความเป็นไปของ ข, องขัน ถามว่าพระนิพพานเนี่ยพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ในสติละไหมบอกว่าแม้พระนิพพานเนี่ยพระเจ้าบัญญัติโดยฐานะว่าความดับโดยไม่มีส่วนเหลือของขันเป็นอนุปาทาบริีนิพพานใช่ไหมอาศัยขันด้วยเป็นการเป็นการที่ว่าเพราะขันนี่เป็นชื่อของโลกนิพพานเป็นเรื่องการดับโลกใช่ไหมถ้าไม่มีขันนิพพานก็ไม่มีอย่างเนี้นะเพราะขันเนี่ย เป็นเรื่องของสังสารวัตรถ้าไม่มีสังสารวัตรการดับสังสารวัตรจะมางงอย่างไรอยงนี้เป็นตน้นเนี่ย น, นี่นี่เกี่ยวข้องกันในลักษณะนี้ให้เข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะแม่นิพพานพุทธเจ้าก็ย่อมบัญญัติไว้ในศรีระคําว่าบัญญัติในที่นั้นก็เพราะอาศัยขันน่ะบัญญัติบัญญตัญญติญญาตการดับพอพระพนิพพานนั้นแม้สถานที่ที่มีได้หาสถานที่ไม่ได้ใช่ไหมเป็นความดับของรูปเป็นความดับของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างถาวรเป็นอนุบาทานน่ะเองท่านก็แสดงขายไว้ด้วยอำนาจแห่งอุปจาระวหานนะ ไม่ใช่ในโดยตรงนะอย่างนี้นะมันจะไปเข้าใจว่าขันเดี๋ยวนิพพานมีอยู่ในขันก็คนกันใหญ่เพราะในขันได้สองสัจจะทุกขสโมไทยไม่มีนิโรธสัจจะใช่ไหมแต่ท่านกล่าวโดยอุปจาระบูหานไม่ได้กล่าวโดยการโดยตรงกล่าวโดยอ้อมแม้โดยสถานที่ด้วยอำนาจใงขันเหล่านั้นเหมือนอย่างที่ตรัสว่าจากักรสูเป็นที่รักเป็นที่ยินดีของโลกตัณหาเมื่อจะถูกละได้ก็จ่อมถูกละในจกักรสูนี้ก็ะจะดับก็ดับไปที่จกักรสูนี้จกักรสูไม่ใช่ตัณหา ใช่ไหมแต่จักษุเป็นปิยารูปังสาตาลูปังเป็นที่รักเป็นที่ยินดีเป็นที่มาอาศัยอยู่อาศัยเกิดอยู่ของตัณหาตัณหาเวลาจะพอใจก็พอใ จ, อใจตาเนี่แหละเป็นต้นนี่แหละจะจะยินดีก็ยินดีในตานี่หลยนั้นถ้าจะละก็ต้องถูกละไปในจักษุนี้ต้องทําฉันทราธานในจกักษุและความยินดีในจกักษุนั้นต้องทําปะหานะปริญญาใช่ไหมต้องทําปะหานะปริญญา ต้องรอบรู้จักสุถึงจะละฉันธราคาคือความยินดีพอใจในจากสูุเนี่ยที่ท่านก็อธิบายบอกว่าที่สุดแห่งโลกคือที่สุดแห่งสังขารและโลกได้แก่นิพพานเป็นเหตุแห่งการกระทําที่สุดในการในไหนแม้ใครๆคําว่าเพราะยังไม่ถึงคือยังไม่บรรลุ ด, ด้วยมรรคอันเลิศเนาะยังไม่บรรลุ ด, ด้วยโสดาปฏิมรคเป็นต้นการพ้นก็ได้แก่การหลุดพ้นคือการสระดับออกเพราะเหตุ น, นั้น ความพ้นจากวัฏฏทุกข์ย่อมไม่มีเพราะยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเหตุใดเพราะเหตุนั้นแหะท่านถึงกล่าวว่าผู้รู้แจ้งโลกคือท่านผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงโดยสภาวะไอคาว่าสุเมโทยแปลผู้มีปัญญาเนอะถึงที่สุดโลกคือรู้แจ้งโลกด้วยกันเนี่ยคำว่ารู้แจ้งโลกรู้ได้ด้วยอะไรรู้โดยการตัดสู้ภาษาวเวก็ต้องตัดสู้ตามพระเจ้าใช่ไหมนั้นตัดสู้เนี่ยเขาต้องการรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกอะไรก็คือโลกโลกคือแจรู้แจ้ง ทุกหรือรู้แจ้งตัวสังสา ร, รวัตรรู้แจ้งเหตุเกิดของโลกก็คือสมุทัยที่เป็นเหตุของสังสา ร, รวัตรรู้แจ้งความดับของโลกก็คือรู้แจ้งพระนิพพานซึ่งเป็นความดับของสังสา ร, รวัตและเหตุของสังสา ร, รวัต ร, รู้แจ้งนิโรธคาบินีปฏิตทาคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับนะมรรคพระพรหมจารย์ทีนี้ตัดสรูปการละความที่รมรรคพระพรหมจารย์จบรอบแล้วชื่อว่าอยู่จบพรรมจารย์เอามรรคพระพรหมจาร์จบรอบแล้วก็คือได้ได้มรรคครบสี่รอบแล้วสี่ครั้งแล้ว ใช่ไหมพรหมมาบอกว่าบอกว่าชาติสิ้นแล้วนะ ช, ชาติในที่นั้นคือชาติไหนชาติในอดีตชาติในปัจจุบันหรือชาติในอนาคตชาติสิ้นแล้วในที่นั้นเป็นชื่อของการว่าต่อไปไม่มีปฏิสนธิชาติอีกแล้วไม่มีแล้วนะักขณะนั้นพรหมจันทร์อยู่จบแล้วสวสดาปิมาร์ศกาธาคามีมาร์นาคายมาร์อารัมาร์มร์ ม, รมจรนท์ในจบแล้วกิจที่ควรทํา กิจในการรอบรู้ทุกในการล่าสมูทายในการทํำนิโรธให้แจ้งในการอบรมอริมักกิจที่ควรทาทําเสร็จหรือยังกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วจบจริงๆเลยนี่เนี่ยตัวดับสังสารวัตตัวเนี้ยดับจริงๆดับทาวลเลยสังสารวัตจะดับได้อย่างนี้อธิบายเชื่อมโยงอริยสัจยังไงอันนี้มันบทสัจจะสังยุทธนี่อันนี้บทสรเนี่ยของสังสารวัต อันนี้กล่าวไว้ให้เป็นแนวทางนะต้องต้องไปปฏิบัติต่อเองนะทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าส ม, สมิตาวีก็แปลเป็นผู้สงบสงบกิเลสทั้งบวงระคือสงบราคะโทสะโมหะสมิตาวีเนี่ยแปลว่าตัศรุก็ได้เพราะเป็นผู้ตัศรู้สัจจาทั้งสี่นั่นเนาะ คำว่าไม่หวังคือไม่ปรารถนาคือไม่หวังโลกอื่นเหมือนโลกนี้ก็แปลไม่หวังเลยเพราะเป็นผู้ไม่มีอะไรต่อไปการไม่มีสังสารวัฏเดินอีกต่อไปก็คือการไม่มีปฏิสนธิตัวปฏิสนธิเนี่ยเป็นตัวเริ่มเดินของสังสารวัฏใช่ปฏิสนธินี่เป็นตัวเริ่มต้นของสังสารวัฏตั้งแต่ ถีติขนาของปฏิสนทีไปจจถึงถีติขนาของจุติเป็นประวัติการของสังสารวัตรเห็นไหพังคะขนาของจุติจิตของชาติหนึ่งเป็นจุติการของสังสารวัตรและปฏิสันที่ใหม่ก็เป็นตัวเริ่มต้นของสังสารวัตของแต่ละภพแต่ละภพสังสารวัตมันเดินไปอย่างนี้มีปฏิสนธิการประวัติการแล้วก็จุติการ ในพบหนึ่ ง, งสังสารวัตมันเดินอย่างนี้มันมีการเกิดการทรงตัวอยู่เปลี่ยนแปลงไปในพบหนึ่งหนึ่งแล้วก็การดับในพบในในหลังหยุ ด, ดจิตจิตแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่สืบต่อกันอย่างเนี้ยการขาดการเกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายแต่มันจะมีตัวพบเป็นตัวขั้นอยู่นั้นตัวขั้นของสังสารวัตรแต่ไม่ใช่ขั้นตัดให้ขาดพบไม่ใช่เป็นตัวตัดสังสารวัตรแต่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง สังสารวัฏหนึ่งไปสู่สังสารวัฏหนึ่งแต่ไม่พ้นจากการจากขันสู่ขันจากอายตนะสู่อายตนะจากท่าสู่ท่าเลยนั้นขันอายตนะท่าเป็นไปไม่ขาดสายอยู่นั่นแหละแต่เอาพบเป็นตัวกั้นหนี่เลยสังสารวัฏนะยังนี้มันก็เริ่มได้ได้มุมการเห็นอย่างนี้พิจารณาไปเห็นทุกข์กษัตริย์ไห มนุษย์นี่ในเรื่องสังสารวัตรนี่ตัดไม่ขาดเนี่ยต้องใช้มีดระดับอา อ, อาลาดมักถึงจะตัดขาดเออจะเชิญ ช, ชวนเนี่ยอมาเลยเชิญ ช, ชวนมาพอเจอคำสอนพระเจ้าเนี่ยอันมาก็เชิญชวนคนให้ตัดสังสารวัตรมานา น, นนึงบอกอย่าไปตัดกรรมเลยตัดสังสารวัตดีกว่าใช่ไหมอันนี้ตัวสังสารวัตตัดกรรมไม่ค่อยชัดเดท่าไหร่นะ ไม่ตัดจริงตัดกรรมต้องตัดแบบอะไรห้งเนี่ยทีนี้ประการต่อมาก็พูดเรื่องโลกเนาะเดีนี้เนาะนี่ตัวตัวสังสารวัฏเรื่องโลกนี่เนี่ ย, ยท่านก็พูดถึงในเรื่องของพระเจ้าเป็นโลกวิทูเนาะก็ได้แสดงสภาวะดังที่ได้กล่าวมาเบ็ดเสร็จท่านก็แสดงโลกสามเขาไวโลกสามมีอะไรวชุมนุมและการสืบต่อแข่งขันที่สืบเนื่องกันเนี่ยด้วยอินทรีย์เนาะชื่อว่าสัตว์โลกเนาะโลกคือสัตว์ ที่ชื่อว่าสัตว์ก็เพราะความเป็นผู้คล้องคล้องไปในไหนดีสัตว์ตัาแปลว่าผู้คล้องคล้องในอะไรอะ่ะคล้องในรูปอารมสัทธารมกัานดารมรัก า, า, า, ารมโกรธอารมณ์้ะไรทำอารมณ์ไหมคล้องจริงๆริงไหมเราเป็นผู้คล้องเป็นผู้ติดเป็นผู้ผูกพันอยู่ในอารมณ์ทั้งหกไหมนี่เขาเรียกสัตว์อีกอย่างหนึง่งคล้องอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมหนีสัตว์แท้ๆหรือนี่สัตว์สัตว์โลกเป็นอย่างนี้ ถ้าจะเป็นโพธิสัตว์ก็ต้องมีปณิธานในการที่จะตัดตัณหาละวัตเนะตอนนี้เป็นโพธิสัตว์หรือยังชื่อว่าโลกพระอาตจะว่าเป็นที่เห็นกุศลอกุศลและผลของกุศลและอกุศล เราจะอะไรโลกมีสังขารละโลกสัตวโลกโอกาสโลกสังขารละโลกโลกคือโลกคืออะไรสังขารละโลกโลกคืออะไรฮะสังขารละโลกโลกคืออะไรฮะสังขารละโลกโลกคืออะไรโลกคือสังขารสังขารได้แก่อะไรฮะ สังขารละโลกก็คือนามรูปเวทนาเป็นต้นเหล่านี้ไงนามรูปเมนนามรูปเอวยเวทนาสามเอยอยาหารสี่เออยุอปาทานขันห้าอายตนาหกวิญญาณนิทีติโลกธรรมแปดสัตวาวโลกก็อายตนาสิบอายตนาสิบสองท่าสิบแปดอันนี้เรียกว่าสังขารละโลกไม่ทาท่าลืมไปนเลยนี่โรคโลกคือสังขาร ทีนี้สัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ใช่ไหมที่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยเป็นปุคลาที่ฐานกันนี่แหละโอกาสโลกโลกคือคืออะไรดีก็โลกแต่ละใบที่เรียกภาชนะโลกนี่แหละใช่ไหมโลกแต่ละใบดวงดาวแต่ละดวงดาวจักรวาลแต่ละจักรวาลก็ว่ากันใบนี่แหละ นี่เป็นโอกาสสันโลกโลกต่างๆเหล่านี้คาว่าโลกต่างๆเหล่านี้คืออะไรคืออะไรที่ชื่อว่าโลกเพราะเป็นที่เห็นอะไรเห็นกุศลเห็นอกุศลเห็นผลของกุศลเห็นผลของอกุศลเอ้านี่มองไปที่สมณเนนเป็นโลกไหมนะเห็นอะไรเห็นอะไรในดวงเนนเห็นสังขารและโลกของเนนไหม เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหยาดเงเห็นกายกระจาของเงีนนไหมนี่เห็นเห็นสังขารแล้วโลกและรู้ว่าเป็นสมณีนี่เป็นสัตว์ตโลกไหมเป็นนะแล้วสมณเนี่อาศัยอะไรอยู่ภาชนะโลกใช่ไหมแล้วโลกใบนี้ที่เกิดมาแล้วเห็นบุญเห็นผลเห็นผลบุญผลบาปไหมเี่ยเห็นผลของกุศลอกุศลไหมเข้าใจไหมเนี่ยเริ่มเห็นโลกได้แล้วยังนี่ตัวสังสารวัฏเลยเนี่ยนี่สังสารวัฏ โอต้องชี้อย่างนี้เลยนะนี่เห็นแล้วแล้วอย่าลืมดูตัวเราด้วยล่ะใช่ไนี่เห็นแล้วใช่ไหมนี่นี่เป็นสัจจาอะไรบ้างเนี่ยเห็นทุกข์กษัตริย์เลยนะแล้วอะไรเป็นเหตุให้มีโลกใบนี้มาเกิดขึ้นมานี่สมุทัยสัจาจาเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นความเป็นไปของสังสารวัฏของโลกใบนี้แล้วนั่นกาลังขยับขเขยื่อนอยู่นะเห็นหมเนี่ย การสืบต่อของขันในะถึงเป็นไปอย่างนั้นได้การสืบต่ออายต น, นะในถึงมีการเหลียวซ้ายไหลขวาได้การสืบต่อกันของาธานตะุในถึงการมีการเดินการเหนือยการหิวการทํากรรมเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นไปได้นี่นเห็นแล้วนี่สังสารวัตรเดินได้เห็นอย่างเงี้ยเป็นที่ดูบุญดูบาบไหมล่ะดูผลบุญผ ล, ผลบาปจริงๆริงไมล่ะเห็นไหมแต่เนี้ยทุกข์กษัตริย์ปรากฏหรื อ, อยังเอาไปไข่ควรต่อเขาบรรลุกันได้ด้วยอาการอย่างนี้ เข้าใจไหมเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยอัตยาสายที่ฟังเนี่ยจะเป็นปัจจัยงานบรรลใุใช่ไหมใช่ไหมฟังไปเถอะตั้งใจฟังไปเถอะวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเราอัตยาสายปลูกฝังไว้แล้วศรัทธาลมก็ได้ยินแล้ว อธยาศายการตั้งใจฟังก็มีแล้วตั้งศรัทธาไว้ในนุ่นพระเจ้าวันนี้เป็นพระธรรมของพรธเจ้ารู้แค่นี้พอเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวอธยาสัยกระตุ้นเองอาจจะไปกระตุ้นตอนอายุยี่สิบก็ได้ใช่ไหมแต่เนี่ยถือบุญดีเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่ได้ฟังตอนอายุน้อยๆก้าขวบก้าวขวบบางทียังไปทําอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้เห็นไหมนี่อัธยาสัยเราดีกว่าเขาเนะ แต่อย่าไปเชื่นชมสังสารวัตรเขาแหละใช่ไมเพราะสังสารวัตรเหล่านี้เป็นที่ตังของตัณหาดีนักใช่ไท่านให้วิจัยท่านไม่ให้เอาไปที่ตังของตัณหาถ้าจะเจริญเมตาตากรุณาุมตตาเวขาจเจริญได้แต่ห้าเจริญตัณหาในวัตถุชิ้นนี้คือโดยต้องเห็นเห็นเห็นผลบุญผลบาป ต้องเห็นว่ากําลังเป็นเขาเขาทำบุญทบาบาปนี่เห็นเห็นกําลังเป็นไปแล้วเขาวิจัยอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่ามองโลกภายนอกแล้วต่างจากโลกภายในกาลวิวละอันยาวต่างกับยาวาหนาคือที่กําลังเป็นไปอยู่ไหมอันนี้ก็คือสังสารวัฏกําลังเดินอยู่เหมือนกันเนาะนี่เห็นเห็นเห็นหนักไวใหญ่เลยเีนี้ นี่ยไป น, นอนดูสังสารวัตรกันทุกวันนอนกอดสังสารวัตรกันดูใช่ไหมอยู่กับทุกข์อยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์อ่ะอยู่กับทุกข์ก็ชื่นชมทุกข์อ่ะเพ้อเพ้อฝันทุกข์เนาะโอ้โหอะไรนะ คือคืออย่างนี้นะว่าเอายงี้เอาอย่างงี้ดีกว่าว่าทำไมดูหนังสือถึงอ่านได้ทันทีเอามองเห็นตัวหนังสือปุ๊บอ่านได้ทันทีไหมทําไมอ่านได้คล่องขนาดนั้น <Okay. S 1> ก็พราะเราเรียนเราเข้าใจแล้วว่าอย่างนี้เขาียนแล้วไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวเราเข้าใจเลยนะว่าสาระที่เขียนนะัเรื่องอะไรด้วย <Yeah. S 1> อะไรละเป็นปัจจัยทําให้เราเข้าใจ มันมีทั้งหลายร้อยหลา ย, ลายพันปัจจัยนะมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะที่เราเข้าใจเนะี่ยการการสั่งสมจากการฟังการไข้ควรการพิจารณาแล้วคิดดูเนี่ยถามว่าเป็นที่ตัางของการมารรลุได้โลกใบนี้ที่ทำมองพระเจ้าก็ตัดสรู้โลกนี่แหละทั้งภายในและภายนอกคือว่าหนึ่งพิจารณาเห็นโลกในโลกในภายในอยู่ใช่ไหมพิจารณาเห็นเห็นกายในกายภายในคือพิจารณาโลกนั่นเอง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกแล้วก็พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกก็คือพิจารณาเห็นสังสารวัตรเนี่ยในภายในแล้วก็พิจารณาเห็นสังสารวัตภายนอกแล้วก็พิจารณาเห็นสังสารวัตทั้งภายในและภายนอกบรรู้ได้ภายในเรารู้นะฮะเราพิจารณาของเราเอแต่ภายนอกที่เราจะไม่แล้วพิจารณาภายในอย่างไงก็พิจารณาภายนอกอย่างนั้นช ก็ใช้รูปข so ันไหมใช้เวทนาขันไหมใช้สัญญาขันไหมยสังขารละขันไหมวิญญาณขันไหมไปดูในตักติกาทีบาดถ้าไม่พิจารณาสามส่วนบรรลุไม่ได้จบเลยจะไปดูจะภายในบรรลุได้ยังไงเอาสิเพราะสติปัฏฐานต้องบริบูรณ์ด้วยสามส่วนถึงจะเป็นปัจจัยการบรรลุเนี่ยอ๋อ จะเรียกอนุมานหรือเปล่าถ้าอย่งนั้นใช่ไหมถ้วเรียกอนุมานไหมเรียกว่าอนุมานไหมดูอันนี้ก็เกิดขึ้นกับตาเราโดยตัวเองไหมอันนั้นน่ะไม่ใช่ปัญหาก็คือว่ารู้ไหมว่าเป็นผลบุญผลบาป รู้หรือเปล่ารู้ไหมว่าเขากำลังทำบุญทำบาปนั่นนี่แต่ต่อไปทะลุถึงจิตนั่นแหละเขาถึงใช้คำว่าเป็นที่เห็นกุศลเห็นอกุศลเห็นผลของกุศลและเห็นผลของอกุศล ใช่เราเห็นเนี่ยเห็นทั้งเห็นท Clear ั้งตัวกุศลด้วยเห็นทั้งอกุศลด้วยเห็นทั้งผลของกุศลด้วยถามว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นผลของกุศลเขากำลังด่าเห็นเขากำลังทาอกุศลเขากำลังนอบน้อมเห็นเขากำลังทำกุศลทำไมจะไม่รู้เห็นทั้งตัวบุญและตัวบาป เห็นตั้งตัวผลของบุญและผลของบาปนั่นแหละเขาเรียกว่าโลกเป็นที่ดูเป็นที่เห็นแต่สัตว์โลกจะเข้าใจไหมล่ะใช่ไหมฉะนั้นการที่บอกว่าชุมนุมและการสืบต่อกันของขันทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่